เกิดความมีกายมีใจร่างกายกับจิตใจเป็นตัวชีวิตไม่แต่ยะไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไหลไปจิตใจเกิดใหม่อยู่ทุกๆกันนะเกิดดับมีอาการต่างๆ เพลอไม่ได้เผลอเป็นทุกข์เราต้องฝึกหัดตรงนี้แหละเดินทางกลับมาสู่ความเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาเดิมๆที่คนโบราณจะบพูดว่าจี่ที่ประพัดสอนผ่องใสมริสุทธผ่องแผ้ว ออนยนสระลสั่วถ้าเป็นบ้านก็สะาสะอานเป็นบ้านที่นายอยู่บ้านของจิตคือปกติความเป็นปกติเกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวจะงมันเข้าถึงของสภาวะความเป็นปกติจนจำนานจน แต่พื้นที่ของจิตของใจเราก็ฝึกหัดปฏิบัติทางจิตเรียกว่าภาวนาพัฒนาข้างนอกเรื่องวัตถุนิยมสังคมนิยมบริโภคนิยมก็อย่างที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้เรามาฝึกหัด ให้จิตขอเรามันมีความเป็นปกตินะอยู่วโลกใบนี้หยาะกายกระใจเอาะกายมาเป็นความสุขเอาะกายมาเป็นความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนคนทั่วไปเอาใจมาเป็นความสุขเอาใจมาเป็นความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนทั่วไปเราก็จึงอย มาฝึกมาหัดมารับรู้เรียนรู้จิตตาภาวนาหรือว่าการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะของกายเป็นการเจริญสติเจริญสติเคลื่อนไหวรู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกทำอะไรมีการเคลื่อนไหวหเป็นเองะรู้สึกได้ วิบตาหายใจมาเรงความคิดความคิดนี่ละเอียดเป็นนามธรรมแต่ว่าก็สามารถรู้ได้กำลังของสติของปัญญาของตาในเพราะนั้นอา น, นิสงส์การเจริญสติมันก็มีอยู่ชัดๆเลยการฝึกสติสติําไม่เกิดสินสติําไม่เกิด สมาธิสติทำให้เกิดปัญญาสติปัญญามาด้วยกันปัญญาใช้ได้แบบครอบจักรวาลเลยรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้อดีตแล้วก็หยิบข้อมโนดีที่ดีๆมาใช้รู้อนาคตอนาคตเรากำหนดคำนวณได้อย่างแม่นยำ รู้ปัจจุบันก็เห็นโลกตามความเป็นจริงมันก็แตกฉานขึ้นมาจากการรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจมันก็จะเกิดการเดินทางเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราเดินเพื่อที่จะถึงจุดหมายปลายทางนะว่าการปฏิบัตินี้มันเดินเพื่อหยุด หยุดการแสวงหามันหยุดมันหยุดปรงุงหยุดแต่งมันหยุดประเพที่ปรุงแต่งเพราะความหลงพาไปมันหยุดถึงจะเกิดขึ้นบ้างแต่กออ็รู้เท่ารู้ทันได้ไวอย่างนี้มันมีอยู่มันก็ช่วยชีวิงเรามาหลุดโลกผลเป็นมิมุตมิมุต ห, หลุดพ้นจากการไร้ลัทะ ปูบมันรัดตึงห่วงลูกอะไรละ่ะห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์รักลูกห่วงลูกมันเชือกปูคอรักแม่รักพ่อห่วงแม่ห่วงพ่อปอปูแขนห่วงสมัิแก้วแหวนมันแว่นปูขาตัวกลางที่เรารู้สึกตัวเราเห็นจิตมันจะพุ่งไปนะ งแต่งความคิดเดียนาคตรเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะเรื่องคนอื่นลูกบางยาดบางเพื่อนบางทราบบ้างในด่การงานสุขภาพต่างๆมันแสดงออกมาเราจะเห็นอา น, นิสงการฝึกสติกลับมาเป็นปกติทันดีอยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่โลกความคิดสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึก อาการอื่นๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้เรียนความง่วงเกิดขึ้นมาเราก็ได้เรียนความเบื่อเกิดขึ้นมาเราก็ได้เรียนความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมาเราก็ได้เรียนความคิดเกิดขึ้นมาเราก็ได้เรียนได้รู้ได้เห็นได้มีประสบการณ์ซักซ้อมได้ซ้อมทุกครั้งที่อารมณ์มันเกิดขึ้นมาเราก็ได้ซักซ้อมกลับมารู้สึกตัวได้นะ การเคลื่อนการไหวเป็นหลักเป็นนิมิตเรากลับมาหาหลักหานิมิตเราก็เห็นจิตใจของเรามันก็หยุดก็เย็นเป็นเหมือนกันถ้ามีหลักวิชากรรมฐานมันก็มีผลเมียนิสงเราก็ปกติไปได้เรื่อยๆมีความเป็นปกติทุกๆคนนะที่มีตัวรู้กํากับมีตัวสติเป็นกรอบเป็นกรอ บ, เ ป, รอบเป็นเขต เราเห็นจิตของเราก็มีบ้านอยู่จริงๆปลอดภัยตรงนี้เป็นชีวิตที่ปลอดภัยความทุกข์ที่เคยเกิดจากความโกรธความโกรธนะกิเลสมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวหลงก็ไปนในกิเลสนะมันก็เป็นทุกขนะ์มันก็จึงมีตัวรู้กับตัวหลงรู้ก็รู้สึกตัวไม่รู้ก็หลงไปจากตัวลืมเนื้อลืมตัวนะเราก็เห็นว่า พอมันมีความรู้สึกตัวความเป็นปติปรากฏในความเป็นปติเราก็จะได้เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นปีติเียเป็นความรื่นเริงปฏิบัติแล้วก็เออเห็นความไม่เดืเอดร้อนใจเคยคิดเคยปรุงเดือดเนื้อร้อนใจมันก็เห็นว่าเออการที่ผ่านอาการเหล่านั้นมันก็มีเหมือนกันเห็นอาการที่เรียกว่าสงบ มีความสงบมีความสงัดเกิดขึ้นมาขณะที่เคลืกิดมือรู้จุดตัวมันเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายมันจะกลายเป็นหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดฟุ้งมันกลายเป็นความสงบจากความคิดการปรุงการแต่งคิดมาปั๊บมาลูปุ๊บมันก็สงบทันทีเหมือนกับลูกของเรามันเด้วมันอยากได้ของนะมันแตกมันดิ้นจะเอาจะเอาจะเอา อยู่ๆเรารู้นทันเราฟาดเวฟก็แห่มันหยุดดินทันทีนะเหมือนกันเลิกประยศไปเลยเราก็จะได้เห็นอาการที่มันเลิกประยศจิตอยู่เห็นที่เป็นทางอยู่ในกรอบของศีลของธรรมศรีลนี่คือความเป็นปกตินั่นแหละเราก็เห็นนันที่สงของจิตที่มันมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็เป็นจิตที่เหมาะ ที่จะใช้อยู่ต่อไปเรียกว่าจิตเดิมๆที่พระพัฒน์สอนปองสใยอะไรก็ตามอันนี้เป็นอันน้สงเป็นวันนะเป็นศีลที่มันแสดงออกมาเป็นปฏิยาอาการเราก็ได้เรียนรู้รับรูนะ้อันนี้สงของศีลมันก็จะมีสมาธินะเกิดขึ้นมาหลังจากที่มันมีนะความสุขที่เรียกว่าสุข ชั่วขณะสุขชั่วขณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนีจิตเป็นปกตินะก็เรียกว่าวูบผู้สมสุขวูปะสมสุขก็คือมันวูบอะมันวูบมาเป็นผู้ผ <uhhh. S 1> ูทุกั้งที่เรารู้สึกเป็นะความสุขที่เกิดจากความเป็นปกติเราได้เห็นหน้าของยานทศนะที่เป็นขนส่ง เวลามันเผลอไปทุกเนมันเอากลับมาหาความสุขนีความเป็นปกติสุขนีสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกเป็นหลักจริงๆเนีเป็นอาชีพกรรมฐานระหว่างตัวรู้กับตัวหลงตัวกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็หนึ่งแต้มของความสุขหนึ่งแต้มของตัวสตินี่มันเป็นความสุขขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งตัวนี้แหละ เ, เราฝึกหัดจนกรทั้ง มันมีความสุขต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปความเป็นปกติมันเคยได้นะรับวัตถุนึงสองสามจับบุคคลหนึ่งสองสามหรือว่าบุคคลหนึ่งสองสามปกป้องคุ้มครองแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของยถาพุทธยาณก็คือมันเห็นความจริงไงเป็นยถาพุทธยานทัศน์านามนเห็นความจริง มันเห็นความจริงว่าเออาการของกายของใจที่ปรากฏมันก็เป็นอย่างนี้มันอยู่ตลอดเป็นอาการธรรมชาติธรรมดามันเห็นความจริงมันเห็นภายนอกบางทีอากาศก็ร้อนบทีอากาศก็หนาวบางทีก็มีสัตว์สาราสิ่งต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะบางทีน้ําก็แห้งอย่างสะเดินไปต่อปุดก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อากาศอย่างนี้หลายที่ก็น้ําแรงแล้วอย่างล่างกล่าวเลื่อนว่าโคกุ้งไม่มีน้ำแล้ว ก็มีรถไปขนน้ำข the ้างลางเนี the white, the alors, mm ่ยโคกุงบ้านโคกุงมันก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาที่ไหนที่ไหนก็จะเป็นกันบางทีก็ท่วมบางทีก็แรงบางทีก็ไฟไหมเดี๋ยวควนบ้านควนเมืองกันนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆมีเหลืองมีแดงมีสารพัดสีอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดาการปกครอง ยังไงก็แล้วแต่มันมีสองฝ่ายเป็นเรื่องคนได้ประโยชน์กับเสียผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะมันมีผลประโยชน์ที่ไหนที่นั่นมีการขัดแย้งทุกที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราได้มาถือถือสาหาความอะไรเพียงแค่ว่าเมื่อไรสองคนก็จะดีกันแต่ละเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเราจะทํำยังไงจะนิ่งยังไงจะใช้ชีวิตยังไงกายวาจารใจอย่า ง, าาางนี้อันน้มันก็เกิดมาจากความรู้นั้นรู้ตัว เมื่ออยาเห็นความจริงความจริงอยู่ตรงไหนมีผิดมีถูกมีเหตุมีผลมีเปรียบเทียบต่างๆทําไงจะอยู่เหนือเหตุเหนือผลก็ต้องรู้สึกตัวทําไงจะไม่เอาเหตุเอาผลก็ต้องรู้สึกตัวถ้าจะเอาเหตุเอาผลจะมีหลักวิธีคิดยังไงก็ต้องคิดด้วยไม่ทุกคิดด้วยความรู้สึกตัวเจตนาคิดดนำริดด้วยเมตตานำรีดด้วยใจที่มันปกติอย่นะมันก็ใช้ทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องต่อไป แตมันเกิดการเห็นความจริงอะไรบางตัเบื่อหน่ายกายจางน่ความทุกข์เนี่ยเบื่อหน่ายกายจางยริงมันกลัวจริงๆที่ทําให้คนกระตุกว่าเรามันกลัวกลัวว่าเราจะทําให้ผู้อื่นกระตุกนะเรียกว่าอายชั่วกลัวบาปมีหลีมีมอัปปาเข้าไปมันจะเกิดคุณธรรมขึ้นมานเราก็พึงได้การทําให้ใจของเราไม่ทุกข์รู้สึกตัวจิตเป็นปกติน การเคลื่อนกันไหวต่างขนานี้มันมีอันนี้สองจริงๆเมื่อเบื่อหนายขายจางมีนิพิตามีวิราคาเกิดขึ้นมาไม่ให้ราคาตตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนั้นนั่นเป็นบิมุติหลุดต้นะเป็นบิมุติดเป็นยานทัศนะะเราจะเห็นอาการที่มันดับลงไปอาการที่มันหยุดคิดหยุดปรุงนะตรงนั้น่มันเป็นรอยเล็กๆทีเดียว เป็นวิมุตยานทัศนะมันไม่เข้าไปสุขสุขทุกๆนะพอใจไม่พอใจยินดีร้ายชอบไม่ชอบมันจะเห็นนะอาการที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นนามธรรมนะคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกนะคิดแล้วก็พอใจคิดแล้วก็ไม่พอใจมนะันเป็นนามธรรมนะทุกครั้งที่มีความรู้สึกมันจะรู้ตัดลงไปเลยนะกับคืนสูปกติน อะไรที่เป็นความไม่ปกติมันกลับคืนสู่สภาวะปกตินะการเคลื่อนกันไหวเคลืนะ่อนไหวรู้สึกตัวการเดินจกกมกลมกันนั่งสร้างจังหวะทุกครั้งทุกขณะมันก็จะมีนะปริยาการตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะ น, นี้แหละนักปราชญจะได้เจอกันนะบางคนนะพอฟังหลวงปู่เทียนเมื่อเช้าวานนะใช่หลวงปู่เทียนบอกว่า ให้มันคิดลงไปนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้อย่างงี้นะอันนี้ของดีคิดมากเท่าไรก็รู้เท่านั้นเน่ยเรียกว่ามีสติอย่างงี้นะการเจริญสตินะยิ่งคิดยิ่งรู้อันนี้นดีบางคนบอกว่าไม่ดียิ่งคิดก็ลําคาญมาวันปฏิบัติกันเลยอยากให้มันคิดนทีเนี้ยพอไม่คิดก็เออทุกข์อีกอันเนี้ยเดินไปเดินไปทําไมมันไม่คิดอย่างงี้ย ท, ทำไมมัน แล้วมันจะทําถูกไหมเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นความคิดอีกเหมือนกันละนเพราะฉะนั้นเวลามันไม่คิดเนี่ยเรารู้ว่ามไม่คิด เ, เมื่อมันไม่คิดเนีย <S <S เราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อมันไม่คิดเนะเราก็รู้ว่าไม่คิดเมื่อมันไม่คิดรู้ว่าไม่คิดเนะ่เราก็ไม่ทำให้หาว่าทำไมมันไม่คิดนะแต่ถ้ามันหาว่าทําไมมันไม่คิดก็เออนะให้รู้วว่าลักษณะของจิตก็เป็นอย่างนี้นะ สัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกกระทบรู้สึกตรงนี้นก็พอแล้วถือว่าพอเพียงแล้วการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะอาการตึงอื่นที่มันแท้ขึ้นมามันเป็นเพียงแค่ปฏิยาการธรรมดาธรรมดานั้นองนักปฏิบัติอาการเจ็บปวดเมื่อยก็ตามแต่ว่าถ้าความรู้สึกตัวหรือว่าหลักปฏิบัติเรายังไม่ชัดเจนมันจะชวนให้เราคุายควยได้ ลาลาละลังหันหลีหันกวางเป็นเรื่องธรรมดาอะนะเราไม่ชัดเจนในการทํางานก็ลาลาละลังไม่มั่นใจไม่ต้องมีข้อมูลมีอะไรมากมายเหลือเกินอันนี้ก็ต้องอาศัยเวลาความต่อเนื่องเชื่อมโยงก็มันก็ที่เรามาปฏิบัติวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เจ็ดวันหลายคนเจ้านี้เดี๋ยวจะกลับไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายถึงว่า จะอยู่ที่ไหนก็ตามสถานที่ใดๆก็ตามก็ให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวอันนี้อย่าทิ้งมันเป็นตัวภาวนาเป็นตัวพัฒนาที่ทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองอันนี้สององศีลคือศีลนําสุขมาให้สีเลสุขติงยันติสีเลนะโปะสะมาตาสีเลนะนี่พุทิงยันติจตัตมาศีลาวิโสทะเย่ถึงศีลนําสุขมาให้ศีลนําปกกระซับมาให้แล้วก็ศีลก็นําความเย็นมาให้อันนี้สองของศีลมันเป็นอย่างนั้น พระเจ้าก็รับประกันเอาไว้ขํามภพข้าชาติมันก็จะเป็นรับประกันที่พึ่งได้ตลอดไปความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จึงฝึกหัดปฏิบัติกันตามสมควรแก่เวลาตามสมควรแก่สถานที่ตามสมควรแก่ทำสมควรปฏิบัติสมคว ร, ร, ม, ควรมันเป็นลักษณะของคนที่นะปรารถนาดีไฟดีนะ พาชิไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะเราก็จึงไม่ใช่จบแค่เพียงนี้นะแค่วันนี้ขณะนี้เท่านั้นนะทุกๆขณะเราก็ต้องต่อยอดเราต่อไปนะทํางานรู้สึกตัวขับรถรู้สึกตัวจัดรประทานอาหารก็รู้สึกตัวจะหลับจะนอนกินขับถ่ายต่างๆพูดนิ่งมีความรู้เนื้อรู้ตัวไปกาลียบทใหญ่4นั่งเดินยืนนอนจนะเป็นการปฏิบัติธรรม ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาวัดมาวาก็ได้หมายถึงเราสามารถที่ใช้กายใจของเรานะมีความรู้สึกตัววัดอยู่ตลอดเวลาปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะเราได้เห็นในตัวเรานะมันมีอยู่จริงๆนะะฉนั้นไอ้หนุส่งของศีลนําพาไปสู่นะไปสู่มรรคสู่ผลแล้วก็ความเป็นอหรหันต์อหรหันต์ก็คือไม่ไหลสู่ความเสื่อมอันซ้ายหันขวาบวกบวกลบ เดินทานตรงมุ่งตรงต่อการหลุดพ้นอย่างเดียวนะก็คือมรรคผลนิพานคือเย็นสนิทนะมันอาจจะเย็นเย็นบ้างร้อนร้บ้างปกติบ้างไม่ปกติบ้างเนะไม่เป็นไรนะอกจากก็มีวับวแบมแบมความเป็นปกติก็ถือว่าไม่ทุกขนะ์ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งก็ถือว่านะก็ดีแล้วนะดีกว่าร้อนลุ่มาจนตั้งอยู่ยากในโลกใบนี้ คิดฆ่าเขาหรือว่าคิดค่าตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้มันกจ็จ ะ, ะก่อเวรก่อกรรมไม่จบไม่สิ้นต่อไปคนรักเป็นคนร้ายอย่างเงี้ยรักมากก็โกรธมากรักมากเกลียดมากอันนี้เป็นลนักษณะของศีลที่เราต้องฝึกให้รู้เท่ารู้ทันจนทั่งเห็นเป็นเรื่องของการเดินทางสู่การพ้นทุกข์เห็นเป็นเรื่องของชีวิตแบบพุพ๊บุวิถีแบบพุ๊บก็เข้า สู่สภาวะของจิตติมตื่นรู้เบิกบานป่องใสแจ่มใสทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็มีผลอย่างเงี้ยให้เราต่อไปน ะ, นะเพราะนั้นจึงมีคำบาลีก็บอกว่าอืมกุจราณินะกุจรานิศลานินะอนุปุเพนะนะอรหั ต, ตย ะ, ะปุเรนตีตินะตรงนี้ ก็จะมีกล่าวเอาไว้ว่าเออศีลที่มันเป็นกุศลศีลที่มันเป็นความฉลาดมันมีศีลที่โง่เขาเรียกศีลว่าตาปรามานอันนี้ศีลที่เป็นความฉลาดก็คือความรู้สึกตัวตรงนี้มันจะเข้าถึงความเป็นอรหัตผลโดยลําดับไปโดยลําดับแล้วก็เป็นดันเนี้ย ก็คือคนที่รู้สึกตัวนะจิตก็จะปกติคนที่รู้สึกตัวจิตจะเกิดความรื่นเริงขึ้นมามีความปราโมดขึ้นมาจิตของคนที่มีความรู้สึกตัวจะเกิดความเชื่อศรัทธาศรัทธาในความรู้เนื้อรู้ตัวศรัทธาเรื่องมรรคผลนผิพพานเรื่องของกายการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ที่เราวิมุตติหลุดพ้นนะนะจะศรัทธาขึ้นไหแล้วคนที่รู้สึกตัวเนยะจิตจะมีความสุข ค น, affiliated. คนที่มีความรู้สึกตัวจิต จ, okay. จะอิ่มอิ่มจะมีความมั่นคงมีสมาธินคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเบื่อหนายคลายจางนะวัตถุกามคุณมันจะเบื่อเบื่อมากเบื่อน้อยในเรื่องหนึ่งแต่เบื่อนะบางทีสังเกตมันจะเบื่อเบื่อยากอยากบางทีก็เ บ, บืーー่อเบื่อเบื่อางทีมก็เอออยากกันไหมที่เบื่อมันก็อยากขึ้นมาใหม่อย่างนี้ เราก็ได้เห็นมันออกมันมีอาการอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแต่มันมีสติรู้ทันมีความรู้สึกตัวตัว่วพร้อมเเราได้เห็น่เออสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็คือความสุขจากความรู้เนรู้ตัวนะมันก็เบียดบังกลายเป็นความสุขภายในใจเราเรียกว่านิรามิตสุขนะไม่ใช่อามิตสุขตรงนี้มันเกิดขึ้นไะเราก็เลือกเป็นเหมือนกันเลือกอยู่กับกายเลือกอยู่กับใจของเรานรู้เนรู้ตัวมีความรู้เ네นรู้ตัวนะ อ่กักายก็รู้สึกตัวอาการต่างๆของกายก็มีความรู้สึกตัวอาการของจิตคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆก็รู้สึกจิตนะก็เลยเป็นเรื่องของจิตของเรามีที่อยู่ตลอดเวลามีการงานอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในโลกใบนี้เราก็ทำงานหาเงินห า, า, นหาทองอย่างเช่นเราจะกลับไปเนะี่ยสู่ชีวิตเดิมๆของเราจนเงินไม่มีข้าวกินแต่ว่าจนใจอันนี้มันจะมีปัญหาความทุกข์ใจนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่อยู่ยาก ทุกกายนะปานไฟไหม้ทุกใจปานฟ้าผ่าเนี่ยเราก็จึงมาส า, ส า, างกันเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะะันนั้นเราก็จึงเรียกว่าทํากันต่อไปเดินปฏิยุทธ์เนี่ยทำกันต่อไ ป, อไปแล้วในสุดมันจะเป็นยังไงมันก็คงจะเป็นอย่างที่พระเจ้ า, ราหรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพูดหรือว่าขนาดนี้มันเป็นแล้วก็ตามเราก็รู้ตัวเราเอา มันเดินถึงไหนอย่างไรเราก็รู้จักตัวเรามันยังทุกข์อย่างไรนเราก็กลับมารู้จักตัวเราเรากแก้ไขตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราจนทั้งเหมือนกัว่ามันขึ้นที่สูงมันเคยต่ำๆมาเป็นไงเคยต่ำๆก็เป็นเปลืสันนกอสุลกายอยู่บายาภูมิบบนี้ต่ําสุดๆนเป็นภพภูมิที่ต่ำํำมันขึ้นมาเป็นคนเป็น ม น, นษุษย์เนี่ยเป็นกายาณปูตุชนอย่างเงี้ยนะก็คือจิตมันสูงขึ้นมีความสะอาดสว่างสงบอย่างเงี้ยนะมีความสบายอกสบายใจอยู่ได้ในโลกมนษุษย์มองโลกมนุษย์เป็นความสวยงามมองโลกมนุษย์นะมันก็เป็นอย่างเนี้ยมีบรร ญ, ญามากขึ้นอยู่แล้วแบบรูบ้หลบเป็นปีกรู้ลีกเป็นหางมันมีการมีกินมีเกียดอยเงี้ยเราก็รู้จักน้ําขึ้นรีบตักน้ําลงแล้วก็ดูมัน แล้วก็พอที่จะเก็บกักตุนน้ำมาไว้ใช้ได้ในยามแรงนะอันนี้ไม่เป็นไรชีวิตของเราจะอยู่ได้ปลอดไปคนที่ไม่มีนะการก็บเก็บอย่างพอเหมาะก็เป็นเปลลดีจะหิวลองก่อไม่รู้จะทําไงช่วยด้วยยังไงก็ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นเปดรดนะเราก็ยกจิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นมนุษย์นะพึ่งตัวเองได้เป็นพระนี่ยิ่งดีเป็นพระคือจิตใจสว่ า, างสงบแล้วก็ มีการปล่อยมีการวางจริงๆเพ ร, ระาะว่ามีความรู้สึกตัวเราฝึกหัดปฏิบัติกันมีสรึงพื้นมาจบไปครบบาทใหญ่ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก็เป็นจงจะจ่ายลงให้มากจะยากนั้นก็คือมีความรู้เนื่อ ร, รู้ตัวฝึกหัดปฏิบัตินจนกระทั่งทำมันจะเลิญมั่งคั่งขึ้นมา ก็สะสมความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างนั้นนะอันนี้นเป็นอริยทรัพย์ภายในของใครของเรากันเราก็เลือกเอาชีวิตของเราชีวิตเป็นของเราเราก็เลือกที่จะเดินทางทางกายนะวัตถุรูปธรรมเราก็เดินให้ถูกต้องกันแล้วกันทางจิตทางใจเราก็มีละความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเราก็ฝึกเอาของใครของเรานะทําเอาเองทําเอาเองอเห็นว่าสมควรเวลาเราการพรพ้อมกัน